ปัญหาที่สามถามเรื่องการดับทุกข์ในสามการพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกข์ที่เป็นอดีตหรืออย่างไรพระนากเสนตอบว่าหามิได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกข์อนาคตอย่างนั้นหรือหามิได้ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกปัจจุบันอย่างนั้นหรือหามิได้ขอถวายพระพรถ้ามิได้พยายามละทุกที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วพยายามเพื่ออะไรขอถวายพระพรพยายามเพื่อให้ทุกที่มีอยู่ดับไปและเพื่อไม่ให้ทุกใหม่เกิดขึ้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ทุกอนาคตมีอยู่หรือมีมหาบอพิษข่าแต่พระนาคเซนบุคคลเหล่าใดพยายามเพื่อละสิ่งที่ยังไม่มีบุคคลเหล่านั้นเป็นบัณฑิตเกินไปเสียแล้วอุปมาป้องกันภัยจากฆ่าศึกขอถวายพระพรมหาบอพิษเคยมีอริราชศัตรูหรือไม่เคยมีพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรเมื่ออริราชศัตรูที่จะมาจู่โจมบ้านเมืองเกิดขึ้นมหาบอพิษพึงโปรดให้ขุดคูสร้างกำแพงสร้างประตูเมืองสร้างป้อมคนสนเสบียงอาหารเข้ามาไว้ในพระนครเวลานั้นหรือหามิได้ต้องเตรียมไว้ก่อนพระองค์ทรงให้ฝึกหัดช้างมา้ารถ ธนูดาบหอกเวลานั้นหรือหามิได้ต้องฝึกหัดไว้ก่อนขอถวายพระพรที่ทำดังนั้นเพื่ออะไรทำไว้เพื่อป้องกันภายอนาคตนะสิขอถวายพระพรภายอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกใดตกแต่งบ้านเมือง ไว้เพื่อละภัยอนาคตพวกนั้นก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาป้องกันความกระหายน้าขอถวายพระพรเมื่อใดมหาบอพิษอยากเสวยน้ำเมื่อนั้นมหาบอพิษจึงโปรดให้ขุดบ่อน้ำขุดสาบโบขรณีขุดเหมืองขุดบอ่ออย่างนั้นหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าสิ่งเหล่านั้นต้องทําไว้ก่อนทั้งนั้นขอถวายพระพรทําไว้เพื่ออะไรทําไว้เพื่อละความกระหายน้ํานะสิขอถวายพระพรความกระหายน้ําอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกที่ตระเตรียมการไว้ เพื่อลักความกระหายน้ำอันยังไม่มีอยู่นั้นก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิขอนิมนุ์อุปมาอีกอุปมาป้องกันความหิวขอถวายพระพรเมื่อมหาบ่อพิษทรงหิวพระกยาหารจึงโปรดให้ไถนาหวานข้าวปลุกข้าวอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าต้องให้ทำไว้ก่อนทั้งนั้น ขอถวายพระพรทำไว้เพื่ออะไรทำไว้เพื่อป้องกันความหิวอนาคตนะสิขอถวายพระพรความหิวอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบอ่อพิษที่โปรดให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นไว้เพื่อป้องกันความหิวอันยังไม่มีอยู่ก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิ พระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้วข้อวินิจฉัยปัญหานี้สลับซับซ้อนในข้อที่ว่าทำไมพระนาคเสนจึงปฏิเสธว่ามิได้พยายามละทุกที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ท่านรับว่าพยายามเพื่อให้ทุกที่มีอยู่ดับไปและเพื่อไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นปัญหาต่อไปพระเจ้ามีลินถามว่าทุก อนาคตวงเล็บเปิดที่ยังมาไม่ถึงวงเล็บปิดมีอยู่หรือต้นฉบับสอรรพักดีตอบว่ามีแต่ฉบับพิสดารกลับตอบว่าไม่มีแล้วพระองค์ทรงตรัสเย้ยพระนาคเสนว่าฉลาดเกินไปที่พยายามละสิ่งที่ยังไม่มีอยู่ในเวลานี้พระนาคเสนจึงย้อนกลับโดยยกอุปมาภัยของข้าศึก และภัยจากความหิวในอนาคตซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนจากการเปรียบเทียบพอจะวินิจฉัยได้ว่าภายในอนาคตก็เหมือนทุกข์ในอนาคตอันได้แก่ความแก่ความเจ็บและตายเป็นต้นที่จะมีมาในอนาคตจึงเป็นไปได้ว่าความทุกข์ในอนาคตน่าจะมีอยู่ อีกทั้งหลักฐานจากคำบาลีพระนักเส้นถามว่าอัธิปณะมหาราชาอนาคตะพยังแปลว่าภัยอนาคตมีอยู่หรือไม่เพระเจ้ามิลินตรัสตอบว่าอัธิพันเตซึ่งหมายความว่ามีดังนี้